ช่วงนี้กิจกรรมหลวงพ่อเยอะคุยเล่นกันยังไม่พร้อมพรุ่งนี้ได้หยุดวันหนึง่งวันอังคารคนจีนจะมาเรียนสองร้อยคนเนะี่ยจะมาเรียนคนไทยไม่เอาคนไทยไปดูยูทนะูบเอาวันพุธไปแอดมิดสี่ลาด เป็นพฤหัสให้ยาเย็นๆก็กลับมาได้พักวันสุกวันเป็นวันที่จะต้องสุดโสมหน่อยหลังรับยาสสยเสาร์อาทิตย์ก็ต่อขอจีนต่ออีกสองวันอย่านึงว่าพระว่างงานนะพระา ง, งานเยอะ ช่วงนี้นกสารพัดเลยนะเสียงร้องกันช่วงเช้ามืดมันจะมีนกกระวา่าวร้องนกกระว่านี่มันเก่งนะนเจ้าเล่ยเจ้าเล่อยู่ในยีนมันเวลาออกไข่มันจะไปออกไข่ในรังอีกามันจะไปซุ่มก่อนพออีกาเผลอมันก็เข้าไปที่รังอีกาแล้วก็เตะไข่ของอีกาออก ไข่ก็ตกลงมาแตกอยู่ข้างล่างมันก็ไข่ไว้แทนแต่มันจะออกไข่สมมันจะออกลูกหนึ่งสองลูกไว้แต่ไข่อีกาทิ้งตามจำนวนเราธรรมชาติของอีนกกระเวาเนี่ยไข่จะฟักเร็วจะฟักเร็วเร็วกว่าอีกาพอมันเป็นตัวปุ๊บเนี่ยนะ มันจะพยายามเจาะไข่ของอีกาเพราะพวเนี้จะแย่งอาหารมันอีกาจะเลี้ยงมันกาคิดว่าเป็นลูกของมันแลว้วธรรมชาติของมันมันจะโตเร็วจะบินได้เร็วมากเลยอยู่ในรังอิกาไม่นานนะก็จะบินหนีไปถ้าช้าเนี่ยอิกาจะรู้ว่าไม่ใช่ลูกมัน มันเป็นวิธีที่ธรรมชาติควบคุมสัตว์ไอ้นกเนี่ยฟักไข่เองไม่เป็นต้องอาศัยอีกาฟักไข่งั้นจำนวนของมันก็จะไม่เยอะนับหรับอีกาก็ถูกควบคุมจำนวนถูกเตะไข่แตกไปในวัดเนี่ยมีอีกาอยู่กลุ่มนึง น, ะนกกระเบอก็มีสูสีกัน สมดุลธรรมชาตมิมันดูแลตัวมันเองอย่างคนนะชอบเอาแมวเอาหมามาปล่อยที่วัดนะที่นี่ก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มามันคืออาหารของเหี้ยและงูอย่านึกว่ารอดนะเอาแมวมาปล่อย ปล่อยวัดนี้ไม่มีรอดนะลูกแมวมาอะไรงูเอาไปกินหมดงูก็เยอะงูตัวโตๆเหี้ยก็กินในนี้เลยมีทั้งงูมีทั้งเหี้ยนะที่กินสัตว์อื่นแล้วก็มีนกที่ดุดนกขุนแผนใครเคยรู้จักไหมนกขุนแผน แต่นกคุนช้างเนี่ยศูนย์พันละในนกตะกลุ่มไม่มีเหลือละนกคุนแผนยังเหลืออยู่ในนี้มีอยู่ฝูงหนึ่งนกนี้ดูมากเลยสังเกตนะเมื่อก่อนในนี้มีนกพิราบเยอะนกพิราบชอบมากกอหลังคาโบสถ์แอบมาไข่ไว้อะไรไว้นกคุนแผนเนี่ยไปเจอไข่จะกิน แล้วไม่กินเฉพาะไข่นะมันเจอลูกนกพิราบเนี่ยมันเตะกระเด็นตกลงมาข้างล่างเลยแล้วลงมาเจาะเจาะท้องดูเดือนไหมจิตท้องทะลุนะกินไสน้นธรรมชาตินะมันควบคุมกันเองไม่ให้สัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งเยอะเกินไป มนุษย์นี้แหละเยอะเกินไปมันรักษาสุขภาพดีวิทยาการดีจนมนุษย์เนี่ยล้นเกินทุกวันนี้มนุษย์ล้นเกินพอล้นเกินต้องใช้ทรัพยากรมากใช้ที่ดินมากก็ไปเบียดเบียนสัตว์กันสัตว์ถึงศูนย์พันไปเกือบหมดแล้ะสั่์อยู่ไม่ได้สงสารสัตว์บางตัวนะมันปรับตัวไม่ได้ช้างนะตัวมันใหญ่ ไม่รู้จะกินอะไรก็ลงมากินพืชไร่คนก็โมโห ว, ว่าช้างมาบุกรุกไร้ความจริงไร้ไปบุกรุกป่ามอนเล่นกันเป็นทอดๆสัตว์ลำบากมากเลยเพราะคนเนี่ย้นเกินไม่รู้จักตายซะบ้างใช้ทรัพยากรมากนะทำให้โลกร้อนมากขึ้นมากขึ้น ในที่สุดธรรมชาติก็จะต้องจัดการพวกเราก็จะทำให้น้ําท่วมโลกบ้างอะไรบ้างนี่น้ําท่วมถ้าน้ําท่วมภาคกลางของเมืองไทยคนภาคกลางก็ต้องอพยพมาอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะนออกภาคตะวันออกนะวัดเรารอดแต่เราจะไม่รอดเพราะว่า คนขเขมรคนอะไรนะต้องขึ้นมาอยู่แถวนี้จะกลายเป็นเกาะสิ่งแวดล้อมมันรุนแรงขึ้นได้ไดนะพายุก็แรงขึ้นได้ๆฟังข่าวรู้สึกไหมสังเกตให้เดียยกระทั่งฝนยังเม็ดใหญ่กว่าเก่าเลยฝนนเะม็ดโตขึ้นรุนแรง พายุก็แรงขึ้นเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินคาว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเดี๋ยวในี้ไต้ฝุ่นธรรมดาไม่ค่อยได้ยินละมีแต่ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโลก ต, ต้องพยายามปรับสมดุนลนะโลกร้อนขึ้นทุกวันทุกวันไม่มีใครแก้เตรียมรับชะตากรรมน่ากลัวไหม เชื้อโรคตอนนี้เขาไม่พัฒนายาปฏิชีวนะเพาเชื้อโรคมันพัฒนาเร็ว น, นี้วิจัยยาออกมานะขายยังไม่คุ้มทุนเลยดือ้อยาแนละ้วต่อไปเราจะตายด้วยโรคเบสิกโรคธรรมดานี่แนหะตาย ไม่มียาดเงินชีวิตเราข้างหน้านี้ไม่น่าเรื่อนรม์หรอกหาอยู่หากินอะไรลำบากบางคนรวยทำธุรกิจรวยรว ย, รวยอยู่คนเดียวคนอื่นจนหมดอย่างพวกเลี้ยงไก่ชาวบ้านเดิมเลี้ยงไก่ไม่กี่ตัวเอาไปกินบ้างเอาไว้ขายบ้าง เนนี้มีโรงเลี้ยงไก่ซื้อลูกไก่มาซื้ออาหารไก่ซื้อวัคซีนซื้อยาซื้อทุกอย่างมีคนขายรายเดียวอี้เสร็จแล้วไก่โตสี่สิบห้าวันขายไก่มีคนซื้อรายเดียว ราคาเนี่ยถูกกด mm hmm. กดลงติดๆเลยพวกเลี้ยงไก่เนี่ยอยู่รอดเพราะขี้ไก่ขายขี้ไก่นั่นคือเศษที่เขาให้ผลประโยชน์กับคนเลี้ยงดังนั้นคำนวณออกมาเนี่ยเนื้อไก่ที่ขายเนี่ยคือต้นทุนการผลิตค่าแรงคือขี้ไก่ ่บางทีเราเหม็นขี้ไก่นะมันมีโรงเลี้ยงไก่ใหญ่ๆอที่กลิ่นขี้ไก่มากต้นต้นหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาววัดจะเหม็นเราไม่หงดหญิดหรอกเราสงสารเนี่ยคือเขาจะต้องอยังชีพด้วยนี่วัดวัดนี่นะสร้างมาร่มเย็น มีดอกไม้หอมๆทั้งวันทั้งคืนสลับกันดอกไม้บางอย่างหอมตอนเช้าบางอย่างหอมกลางวันบางอย่างหอมกลางคืนในชาวบ้านเขาก็จุดไฟเผาไร่กลิ่นควันก็เข้ามามันจะทบกระทั่งตลอดไม่ว่าเราพยายามปรับตัวให้ดีแค่ไห น, น, นก็หนีการกระทบกระทั่งไม่ได้งิ่งพยายามปรับใจดีกว่า ยพยายามภาวนาก็โลกนี้ไม่น่านอยู่ภาวนาออกไปจากโลกซะมันมีวิธีการปฏิบัติทำไปมีศีลมีธรรมมีฮีโรอุตตะปะไม่ต้องเกิดเป็นคนะไปเป็นเทวดาก็ยังดีไม่ต้องลําบากสิ่งแวดล้อมอย่างดีอยู่ในเทวโลกสิ่งแวดล้อมอย่างดีอยู่ แต่เวลาคนบาปเยอะๆนะสิ่งไม่รอบก็เสียนะในดิเวโลกไม่เกิดดีที่สุดใครฟังแล้วอยากไม่เกิดบ้างยกมือซิใครฟังแล้วอยาไ ก, ายกมยาไม่ตายบ้างคนทั่วไปอยากเกิดไม่อยากตาย เรานักปฏิบัติตายเราไม่กลัวเราไม่อยากเกิดเกิดทีไรก็เป็นทุกทุกทีวิธีที่จะทําให้ไม่เกิดก็คือทําลายเชื้อของการเกิดซึ่งอยู่ในใจเราเชื้อของการเกิดซ่อนอยู่ในใจจิตใจเราเหมือนมเมล็ดผลไม้เหมือนมเมล็ดมะม่วงมเมล็ดทุเรียนอะไรเงี้ยในนั้นมีต้นอ่อนต้นอ่อนของเชื้อเกิด ในใจเรานะเหมือนใจเราเป็นเม็ดมะม่วงเม็ดทุเรียนอะไรเงี้ยต้นอ่อนคือตัววิชาวันใดที่อวิชาถูกทำลายนะเกิดวิชาขึ้นมารู้อริยสัจอวิชาก็าจะตายไปเชื่อเกิดในจิตเราก็ไม่มีเราจะพ้ น, ะนจากทุกข์กันตรงนีนนะ้ไม่ต้องรอให้แก่แล้วภาวนานะที่ภาวนาตั้งแต่วันนี้เลย เผื่อบรรู้พระอรหันต์และยังมีอายุเหลืออยู่หลายปีจนะได้เป็นมนุษย์ที่มีความสุขที่สุดไม่เป็นมนุษย์ที่สุขบ้างทุกบ้างเมื่อนิพพานแล้วขันมันแตกสลายไปอมตะธาตาาธุอมาตะธรรมนะั้นมีอยูนะ่ไม่ตายแต่ไม่ใช่มีอยู่อย่างที่เราคิดกัน ที่เราคิดกันเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งมีขันห้าราะนั้นไม่ใช่นิพพานนั่นเป็นนิมิตที่คนไปนนั่งสมาธิแล้วไปเห็นก็นั่งแล้วไปเห็นนิมิตพระพุทธรูปเ้าคิดว่าเจอนิพพานพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดนะว่าจรบใดที่ท่านยังมีขันห้าอยู่เนะเทวดาและมนุษย์ยังมองเห็นท่าน วันที่ขันห้าท่านแต่ดับแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นท่านอีกต่อไปนี่เรื่องพวกนั่งสมาธิแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่จริงขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดสิ่งที่เขาเห็นคือพุทธนิมิตนิมิตของพระพุทธเจ้าจิตมันเห็นเองัเรียนธรรมะเรียนให้ชัดๆนะไม่งั้นเชื่อตามๆกันไป ถ้ายังมีโลกมีพบของพระพุทธเจ้านะ่ะความทุกข์ก็ยังมีอยู่มีพบที่ไรก็มีทุกทุกที่ไม่ใช่นิพพานวิธีที่เราจะพบสันติสุขพบพระนิพพานที่แท้จริงมีอยู่ทางเดียวคือทำลายกิเลสให้หมดจากใจเรา เวลาที่กิเลสหยาบหยาบหมดไปนะชีวิตเราก็มีความสุขกิเลสอย่างกลางกลงหมดไปนะเราก็มีความสุขมากขึ้นกิเลสอย่างละเอียดคือเอาวิชาหมดไปมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเรียกว่าบรมสุขพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานไปและเป็นบรมสุขอันอื่นไม่สุขแล้วสุขเจือทุกข์ทั้งหมด เราจะทำลายอภิชานะแล้วก็บรรู้พันิพานแล้วก็เรามีความสุขความสุขที่นึกไม่ถึงสัมผัสครั้งแรกเนี่ยนะเหมือนใจจะแตกแต่ไม่ได้ใจจะแตกเพราะความทุกข์นะมันชาทบใจจะแตกเพราะความสุขเลยคล้ายๆธาตุขันเนี่ยทนอยู่ไม่ไหวมันสุขมากสุขมหาศาล พวกเราจะรู้จักเลยทุกมหาศา์ทุกจนกระทัง่ ง, ง, ตงตายอะไรเงี้ยทุกจนตรอมใจตายสมบัติพันิพาช่วงแรกๆจิตไม่คุ้นกับพันิพาณมันเป็นความสุขที่รุนแรงมากสุขร้ายแรงคารวะไม่ไม่ได้เคยบวชเคยอะไรอยู่นะไม่ได้บวช บร ร, าารลุพระอรหันต์เรก็จะตายอย่างรวดเร็วเลยธาตุขันแตกแตกโลกทนรับความสุขไม่ได้แต่เป็นพระไม่เป็นไรพระจะชินพระชินกัความสงบสุขอยู่แล้วก็ไม่ก็ใกล้นิพพานอย้่เวลาสัมผัสความสุขทนไว้ทนไว้หลวงปู่ดุลเคยบอกนะเคยบอกมีคนหนึ่ง ก็ไปถามหลวงปู่ดุลงว่าฆราวาสทําที่สุดแห่งทุกได้ไหมท่านบอกได้แต่ท่านก็รู้วารรจิตเขาถ้าท่านตอบวาได้เนี่ยเขาจะประมาทเขาจะคิดว่าเขาเป็นฆราวาสเดี๋ยวเขาก็ทําได้หลวงปูก่กคขู่ต่อเลยบอกว่าถ้าเป็นฆราวาสนะก็จะตายมันรู้พระอรหันต์แล้วก็จะตาย คนนั้นก็สบายใจคีดว่าชาตินี้ยังไม่บรรลุงั้น ไ, ไม่กลัวส่วนหลวงพ่อคนจริงก็ต้องให้มีดีเลยถามให้เขาวร้อนหน่อยนะส่วนหลวงพ่อเนี่ยากะจะเอานื้อผ่า น, นยังไม่ได้บวชบอกหลวงปู่ว่าถ้าผมบรรลุพระอรหันต์แล้วผมต้องตายในวันนั้นผมก็เอาใจเราห้าวหานเราไม่กลัว คนที่ไปซักหลวงปู่นะเขาก็โตแย่งหลวงปู่ต่อบอกว่าเคยอ่านหนังสือเจอท่านไว้หลังอนะท่านเว้หลังก็เข้าถึงธรรมะแล้วนะยังไปอยู่ในป่าทั้งหลายปีเนะี่ยกว่าจะได้บวชมาบวชทีหลังทําไมท่านเว้หลังไม่ตายล่ะเนี่ยลูกศิษย์ทันสมัยครูบาอาจารย์พูดเลยนะก็หาทางแย้งไปเรื่อยๆหลวงปู่ อั น, นีสุดจะโปรดแล้วคือเขาจะสึกเขาเป็นพระนะเขาภานาดีเขา้าในะจธรรมะแล้ว่อยากสึกหลวงปู่พยายามไม่ให้สึกพูดหลายรอบสุดท้ายหลวงปู่ก็บอกว่าพระอรหันต์นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะเพราะงั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนเืนกันแหละ แต่สิ่งที่ควรกับพระอรหันตนะ์มีสองอย่างสิ่งที่คู่ควรกับพระอรหันต์มีสองอย่างคือการบวชหรือการนิพพานไปเป็นคารวะพระอรหันต์อยู่เนี้ยคนอื่นนะเสี่ยงอันตรายมากเกิดไปดูถูกเข้างั้นท่านไม่อยากอยู่ทำใถ้โลกเดือดร้อนสัตว์โลกเดือดร้อน อะไรที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงพวกเราสนใจนะสงบมากเลยนี่งตั้งใจฟังนะพอเริมพูดเรื่องธรรมะใจไปเรื่อยๆนะเอาส่งันบ้านพวกที่เมื่อวานส่งแล้วก็ไม่ต้องส่งนะส่งหมายไปหรือว่ามีความจำเป็นต้องส่งก็ส่งพวกอยู่วัดนะ่ะ เมื่อวันที่หลวงพ่อชี้ให้ดูว่าไปรักษาผู้รู้นิ่งๆก็เห็นแล้วก็เข้าใจวันนี้ก็ปล่อยรู้รู้สึกไหมมันมีความสุขขึ้นมีความสุขสบายหลวงพ่อถึงบอกมันง่ายไม่ต้องทําอะไรหรอกนี่พูดจริงๆนะคําว่าไม่ต้องทําอะไรก็คือไม่ทําอะไรบ้างไม่ทําอาปุญญาพิสังขารไม่ทําปุญญาพิสังขารไม่ทําอเนญชาพิสังขารไม่ปรุงชั่วไม่ปรุงดีไม่ปรุงความว่าง มีชีวิตอยู่กับความไม่พรุงแต่งสงบสันตินม่แหพระนิพพานอยู่ตรงนี้ไปฝึกเอา ม, มีปัญญาสูงนะในทางธรรมมีของเก่าเยอะตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าหลงกับโลกนา น, นอยู่กับโลกไม่มีอะไรหลอกเราไปวันหน่งวันหน่งท่าน mm. ปฏิบัติให้ถูกหลักนะ อย่าไปปฏิบัติด้วยความปรุงแต่งส่วนมากก็จะไปปรุงแข็งทืๆปรุงดีปรุงการบังคับตัวเองปรุงอัตตากิลมัฏฐา น, นโยกการบังคับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องความปรุงแต่งของคนดีคนชั่วก็จะปรุงกามสุขาริการโยกปรุงการสนองกิเลส ท, ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงออกไปอีกพวกหนึ่งพวกส่วนใหญ่เป็นพวกนักบวช พยายามปรุงการไม่กระทบอารมณ์ก็เข้ามารูปประชานหือเป็นพรมลูกฟักไม่ดีเสียเวลาเอ้าคนจีนยี่สิบคนว่ามามีเวลายี่สิบนาทีไม่เอาใช่ไหมยกเว้ น, นก็เชิญกลับบ้านออดลุกแล้วเหรอเขาขอดเขา ข, ขอทำสงข้อข้อแรกเขาเป็น คนใหม่เขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคนใหม่นะ่ะภาวนาง่ายคนเก่าภาวนายากเพราะคนเก่านะจะติดความปรุงแต่งติดความเป็นนักปฏิบัติถ้าชอบทำจิตให้ผิดธรรมชาติเป็นคนใหม่ๆไม่เคยบังคับจิตตัวเองเรามีหน้าที่แค่รู้ว่าตอนนี้จิตใจของเราเป็นยังไง จิตใจเราเป็นสุขก็รู้จิตใจเราเป็นทุกข์ก็รู้จิตดีจิตร้ายก็รู้จิตหนีวิคิดก็รู้คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเหมือน้นคนใหม่นะมีบุญนะมีบุญส่วนคนเก่าชอบติดสมาธิติดเพ่งเนี่ยติดให้มาเจริญปัญญาเนี่ยเจริญยากมากต้องแก้เสียเวลาเนื่นพวกที่ไม่เคยทํากรรมฐานเนี่ยเรียนกรรมฐานนะจะไปได้เร็ว ส่วนพวกที่เคยเรียนกรรมฐานแล้วชอบติดเพ่งติดสมาธิต้องนั่งแก้เสียเวลาแต่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างคนที่สนใจฝึกสมาธินะีมันมีความใส่ใจพวกนี้พอรู้หลักแล้วจะขนันแข็งไปภาวนาส่วนพวกที่ไม่เคยภาวนาเนะี่ยมักจะขี้เกียจพอรู้หลักทำได้นะก็ขี้เกียจทำไม่ทำต่อความอดทนความขยันสู้พวกที่เคยติดสมาธิไม่ได้ มันดีกันคนละด้านถ้าจะเรียนเพื่อเกิดให้เข้าใจอย่างรวดเร็วนะคนไม่เคยเรียนนะเรียนง่ายที่สุดเด็กเล็ก ๆ, ๆฟังซีดีหลวงพ่อนะขึ้นรถแล เ, เปิดพ่อแม่เปิดซีดีมันพ่อนาเป็นเลยนะง่ายๆส่วนผู้ใหญ่หลวงพ่อบอกให้ดูจิตก็เริ่มคิดให้จิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะดูยังไงจะเอาอะไรไปดูไม่รู้สักอย่างคิดมาก พอคุณจิตใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านไปจิตใจสงบหรือว่าสงบจิตใจมีความสุขหรือว่ามีความสุขจิตใจมีความทุกข์หรือว่ามีความทุกข์ฝึกแค่นี้แหละไปดูบ่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วขีบทีคือคำสำคัญคือคำว่าดูบ่อยๆดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในใจดูบ่อยๆ คนต่อไปเขามีข้อเขาเพราว่าเขาจะมีมีสัตว์ที่ไม่มีตัวตนมารบกวนเขาครับเขาคนทํำยังไงครับจะเลยเมตตาไปอย่าไปโมโหมันนะสัตว์ที่มารบกวนเราได้เนี่ยจะต้องเคยเป็นญาติญาติของเราเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกเมียเราอย่างเงี้ยเหงือนมันมาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะก็บุิศส่วนบุญส่วนกุศลให้มันไป ถ้าเป็นสัตว์เกเรอะไรมาก็แผ่เมตตาไว้ถ้าเจอสัตว์เกเรมากๆนะาาก็จับมันพิจารณาไตรลักษณ์อย่างบางทีเราไปภาวนานะเราเจอเปรตเจอผีดูร้ายนะมีนะพวกนี้ให้ส่วนบุญก็ไม่เอานะนะให้ส่วนบุญก็ไม่เอาครูบาอาจารย์ท่านเล่าเนี่ยท่านเนี่ยลุกขึ้นไล่เตะเปรตนะ แล้วก็เตะไปแล้วก็บอกว่าไอ้เพลทมึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไล่ตไลตตตเตะไปเตะเตลสุดท้ายมันหนีไปเลยมันทนไม่ได้ที่มันจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันยึดถือว่ามันมีตัวมีตน น, นถูกมาบอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นมันทนไม่ได้ ไม่น่ากลัวหรอกนะสัตว์ที่มันไม่มีตัวมีตนทําอะไรเราไม่ได้หรอกอคนต่อไปเขาเป็นคนใหม่เขาอยากจะรู้ว่าเขาควรเอฝึกตอนไหนตรงฝึกเยอะๆครับือฝึกอะไรเยอะๆครับเขาควรฝึกตอนไหนตรงด้านไหนฝึกมีสติรู้ทันใจตัวเองไป สังเกตไหมใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านคนจีนทั้งหมดแหละไปดูอย่างเนี้ยใจเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วเราจะได้เห็นความจริงในเวลาอันสั้นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวดีชั่วก็ชั่วคราวสงบชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวไปดูอย่างนี้บ่อยๆ ง่ายๆแค่นี้แหละแล้วถ้าอยากพัฒนาให้หนักแน่นมั่นคงก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือหายใจไปแต่หายใจยากกว่าพุโทโธนะพุโทโธง่ายกว่าพุโทโธง่ายที่สุดแล้วพุโทโธพุทโธไปก็คือคิดพุดโทโธพอจิตมันเป็นยังไงก็คอยรู้เอาพุโทโธเพื่อคอยสังเกตจิตไปตลมหายใจเล่นยากกว่าเพราะมันพลิก แปลงได้มากคลิกเป็นกะสินก็ได้พลิกไปอย่างโน้นอย่างนี้ได้เล่นยากไปทางฌานไปทางอภิญญาไปทางนี้ไปได้เยอะแยะถ้าอยู่ไกลครูคบาอาจารย์เดี๋ยวอันตรายนะยงนั้นพุทโธเนี่ยไม่อันตรายปลอดภัยพุทโธพุทโธพุทโธไปใจสงบกรร็รู้พุทโธไปใจฟุ้งซ่านก็รู้อันนี้สำหรับทุกคนเลยนะคนจีน คนจีนส่วนใหญ่นะหมอะกับการดูจิตเพราะเป็นคนฉลาดเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดชอบคิดจิตที่มันคิดเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตามมาคิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกคิดเรื่องนี้ดีคิดเรื่องนี้ชั่วคิดเรื่องนี้โกรธโอบหลงคิดเรื่องนี้สงบคิดเรื่องนี้ฟุ้งซ่านตามหลังความคิดมาทั้งนั้นนนี้เราเป็นคนคิดเก่ง พอเราคิดไปแล้วความรู้สึกเกิดเราก็คอยรู้เอาเราก็จะเห็นความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับตรงนั้นแหละคือการเจริญปัญญาเนะี่ยดูง่ายๆดูไปอย่างนี้ดูความรู้สึกของตัวเองไปนะแล้วก็พุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็ดูความรู้สึกไปจะง่ายที่สุดนะแล้วก็ปลอดภัยที่สุดถ้าเล่นกรรมฐานอื่นบางทีอยู่ไกลครูบาอาจารย์ ล, ลําบากอย่างนาั้นกรรมานสติกนะว้างกว้างมากเลย เมื่อเวลาเรารู้ลมควลมระงับลงไปนะกลายเป็นแสงเนี้ยเราไปรู้ที่แสงนะดีไม่ดีพลาดนะพลาดไปติดอยู่ในแสงสว่างหรือออกไปเห็นโน่นเห็นนี่ตามแสงไปเห็นของข้างนอกเห็นผีเห็นอะไรนั่นลำบากคนต่อไป เขาเคยไปค อ, คอร์สก็สามารถรู้สึกร่างกายที่สั่นเป็นเตียงกว่าครับบางทีเวลานอนเขาก็สามารถรู้ถึงอวัยวะภายใน เ, เขยับ อ, อยู่เขาจะรู้ว่านี่เป็นมิชฉาสมาธิหรือเปล่าไม่เป็นหอกนะอยู่ที่ใจเห็นร่างกายสะเทือนวันไหวเนี่ยจิตจะเป็นมิชฉาสมาธิหรือไม่เป็นก็ได้นะเป็นได้ทั้งสองอย่าง เป็นมิชชาสมาธิเอยเพ่งจิตให้นิ่งๆแล้วเห็นมันสะเทือนไปเรื่อยๆจิตเนี่ยแข็งทื่อๆนะแต่ถ้าจิตสบายๆเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเห็นร่างกายสั่นสะเทือนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตดวงนั้นดีนะของคุณนะมันบังคับจิตให้นิ่งอยู่นิดหนึ่งจิตเป็นมิชชาสมาธิอยู่นิดหน่อยมันจะซึมซมนิ่งๆไปอย่าให้มันซึมปล่อยให้จิตใจมันเคลื่อนไหวให้มันทางาน ให้มันสบายๆเราเห็นร่างกายมันสั่นสะเทือนไปร่างกายที่สั่นสะเทือนอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเลยมันไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่าดูแค่ความสะเทือนนะดูให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราดูลงไปให้ลึกซึ้งอีกชั้นหนึ่งมันไม่มีตัวเราใจที่เป็นคนรู้นี่ก็เหมือนกันสั่นสะเทือนเหมือนกันใจที่เป็นคนรู้เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นคนคิดดูอย่างนี้นะ ใจที่เป็นคนรู้เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นคนชิดเดี๋ยวก็เป็นคนถลําลงไปเพ่งในร่างกายดูความเปลี่ยนแปลงของกายด้วยใจที่สบายสบาๆแล้วใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ทันด้วยไปฝึกเอาตรงนี้ผิดตรงที่ฟังหลวงพ่อระหว่างที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยจิตถูกจิตสบายจิตโปร่ง พอหลวงพ่อบอกว่าไปปฏิบัติไปทำมอนะก็ไปรวบจิตเข้ามาแข็งทื่อเนี่ยก็จิตอยู่อย่างเนี้ยจิตชนิดนี้ไม่เอาเลยนะจิตอย่างนี้ไม่ดีนะเป็นจิตที่แน่นแข็งจเจริญปัญญาไม่ได้จริงจิตที่ดีคือจิตอย่างตอนเนี้ยจิตธรรมดาวิ่งไปวิ่งมาได้ เคลื่ไหวเปลี่ยนแปลงได้แถ้าจิตคงที่ไม่ยอมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะจิตไม่แสดงต่รักใช้ไม่ได้เอาคนต่อไปขั้นที่แล้วเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งีคนที่ส่งกันบ้านเสร็จใหม่ๆอ่ะกลับไปจับจิตเอาอีกแล้วอย่าไงบังคับมันอย่าให้มันนิ่ง นะให้มันเป็นธรรมชาติอาคนใหม่ว่าใหม่ควรตอ่อไปขั้นที่เราหลวงพ่อบอกว่าเขาสมาธิไม่พ อ, อเขาก็ฝึกทุก ว, นวนันสวดมนต์ไหว้พระเขาอยากจะขอคำแ น, น, นะนำจากหลวงพ่อก็ดีขึ้นแล้วละ่ะต่อไปนี้สวดมนต์ไหว้พระนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆทั้งวันเลย ทั้งวันถ้ามีเวลาระสวดมนต์ไหว้พระสวดสั้นๆก็ได้ในใจเราสวดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูใจที่เปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยคนนี้ดีขึ้นนะราควรนต่อไปขั้นที่แล้วหลวงพ่อสอนให้เขาดูหายใจ เขาอยู่ในชีวิตประจําวันปันทีดูไกลปันทีก็ดูใจอืแต่เขารู้สภาวะรู้สตัวเขายังยังมีเจตนาอยู่เบื้องต้นมันก็ต้องเจตนาก่อนทุกคนแหละนะแล้วก็รู้ทันว่าเจตนานะพอรู้ทันต่อไปความจงใจมันก็ค่อยๆลดลงอย่างเราหัดทีแรกเราไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวนะมันก็จะหลงอุตตลุดเลยเราก็ต้องจงใจจะรู้สึกไว้ก่อน นี้พอเราหัดรู้สึกตัวบ่อยๆมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวต่อไปมันรู้สึกได้โดยไม่ต้องจงใจนะมันชินที่จะรู้สึกแล้วงั้นหัดใหม่ๆบังคับให้หน่อยๆเป็นเรื่องปกติเป็นทุกคนแหละนะก็รู้ตัวอยู่ว่าตอนนี้เราบังคับใจอยูนะ่จงใจปฏิบัติอยู่นะรู้ทันไปแล้วต่อไปมันค่อยๆคลายออกแล้วมันพอดี ไม่ต้องตกใจหรอกไปทำต่อนะเอาครต่อไปเขาสามารถเห็นใจอาศัยอายตระทั้งหกไปกจับถูกเขาเห็นแล้วที่เห็นนะเห็นถูกลนะดูลงไปสินะกระทั่งใจก็ไม่ใช่ตัวเราดูออกไห้ใจวิ่งไปทางอายตระมันก็ไปของมันเอง เราห้ามไม่ได้เราควบคุมไม่ได้กระทั่งจิตใจก็ยังไม่ใช่ตัวเราเลยมันทำงานได้เองแล้วร่างกายยิ่งไม่ใช่ตัวเราใหญ่เป็นวัตถุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวควนนี้ภาวนาดีสุดๆเลยนะดีมากๆเลยภาวนาต่อไปเขาเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะทั้งหกนะแล้วเราเห็นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วด้วย ตรงที่เห็นจิตเกิดดับทางอยนายตนะนี่ก็ยากแล้วนะที่ยากกว่านั้นก็คือตรงที่สามารถมีใจที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายของมันเป็นคนดูได้แต่นี้ยากที่สุดะเราภาวนาไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งวันหนึ่งจิตเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วจิตจะไม่ดิ้นรนสแสวงหาอารมณ์ต่างๆไม่ดิ้นรนที่จะผลักดันอารมณ์ต่างๆออกไปไม่ดึงเข้ามาไม่ผลักออกไป จิตมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็เป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองไม่มีเจ้าของดูไปเรื่อยนะดูอย่างนี้เรื่อยๆรู้ทันใจตัวเองไปอย่างที่ทำทำอย่างที่ทำอย่างนั้นแหละถูกแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมาเองคนต่อไปโอ้คนนี้เก่งนะ คนต่อไปว่ามาเขารู้เสึะว่าตัวรู้กับกับตัวถูกรู้รวมเป็นเดินเดียวอืเขารู้สะว่าตัวเองกําลังฟังกําลังคิดเขาไม่สามารถแยกออกเขาควรทํำยังไงครับสังเกตดูสิใจเรานิ่งทื่อๆอยู่ ใ, ใจเป็นแบบนี้ เฉยๆแล้วก็เห็นนอนเห็นนี่นะแต่ตัวเนี้ยมันทื่อๆนิ่งๆอยู่ดูออกไหมมันเหลือตัวที่นิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งต้องฆ่ามันให้ตายเลยตัวนิ่งๆเนี้ยเราต้องมีตัวที่สุกสนจิตใจเราต้องเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนแปลงอย่าให้ใจคงที่นิ่งทื่อๆแข็งๆอยู่เฉยๆนะแล้วเห็นใจรักเห็นอย่างอื่นแสดงใจรักนะยกเว้นตัวจิต ตัวจิตเที่ยงอยู่ยนั้นนะไม่แสดงใจรักดูค่อยๆดูอย่างนี้สังเกตไหมจิตเนี้ย <construction> เดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปรู้อารมณ์เดี๋ยวอารมณ์ร่างกายไปรู้จิตใจ <Social> เดี๋ยวก็ไปรู้ความคิดนะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆเห็นว่าจิตเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้ลมหายใจนะเดี๋ยวรู้ร่างกาย <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวก็รู้ความรู้สึกทั้งหลาย <S <S ดูอย่างนี้เรื่อ ย, นนเยๆเดี๋ยวก็หลงไปคิดนะ ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเอยแล้วเราจะหลุดออกจากต ร, ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้จะไม่พัฒนานะจะอยู่แค่เนี้ยไม่เป็นไหนล้จะหยุดอยู่ตรงนี้เลยเงี้ยไปสังเกตที่จิตเดี๋ยวก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปเพ่งนิ่งๆเดี๋ยวเป็นอย่างนน้นเป็นอย่างนี้ดูความเปลี่ยนแปลงดูออกไหมดูออกแล้วใช้ได้ ดีกว่าไปประครองจิตให้นิ่งให้อย่างนั้นจะไม่เกิดปัญญาปล่อยให้จิตทำงานตามธรรมชาติแล้วก็เห็นว่าจิตทุกชนิดเปลี่ยนแปลงจิตที่วิ่งไปดูก็เปลี่ยนแปลงจิตที่ไปฟังจิตที่ไปดมกลิ่นจิตที่ไปรู้รสจิตที่วิ่งไปดูกายจิตที่วิ่งไปรู้ความคิดจิตที่วิ่งไปรู้ความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นจิตอย่างนี้ เห็นจิตน like ี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะพัฒนานะครับคนต่อไปคนนี่เขาถามว่าเขายังหาวิหารธรรมหมวกับตัวไม่เจอคนเมื่อกี้ครับคนเมื่อกี้ก็ดูจิตตัวเองไปใช้จิตเป็นวิหารธรรมก็เห็นจิตเดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวเป็นจิตไปเพ่งจิตไปดูโน่นดูนี่ไปฟังโน่นนี่ดูจิตที่เปลี่ยนแปลงใช้จิตเป็นวิหารธรรมไป แล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้พระสวดมนต์บ้างจิตจะได้มีแรงไวพ้พรสวดมนต์บ้างแค่นั้นก็พอแล้วเอาคนต่อไปวันนี้เก่งๆ เ, เลายคนฮะเขารู้สึกว่านั้นจะภาวนาะรู้สึกว่าตัวเองมีเปลี่ยนแปลงเยอะมีอะไรเยอะนะมีมีเปลี่ยนเอ่อเ ป, เปลี่ยนแปลงอ๋อเปลี่ยนแปลง ก็ถูกแล้วล่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแหละไม่เปลี่ยนยังไม่ภาวนาทําไม <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะสังเกตไหมกิเลสเกิดได้ทั้งวันเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกขนะ์เนี่ยใจเราวอกแวกวอแว ก, ก, กเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของคนนี้สมาธิยังไม่พอนะใจยังฟุ้งซ่านเก่งอยู่เงี <c oughs> ้ยไหวพระสวดมนต์เยอะๆหน่อยนะวันหนึ่งหลายๆรอบก็ได้มีเวลาว่างก็ไหว้พระสวดมนต์ไป ใจคิดถึงพระไปใจก็จะได้สงบมีแรงขึ้นมาแล้วก็ดูใจมันทำงานไปคนนี้ดู ก, กายก็ได้นะดูได้ทั้งกายดูได้ทั้งใจดู ก, กายก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอย่างร่างกายมันกวาดบ้านร่างกายมันทำงานอะไรเงี้ยก็เห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราแต่จิตใจมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อยๆรแต่ว่าว้า้พระสวดมนต์เป็นระยะระยะไป ไม่ต้องไม่ใช่ว่าวันละครั้งนะมีเวลาเมื่อไหร่ก็สวดเหมือนตอนนั้นนะสวดได้สั้นได้ยาวไม่สำคัญอนะให้ใจคิดถึงพระไว้ใจจะได้มีแรงคนนี้ขาดกำลังตอนนั้นแหละคนต่อไปนี่เรียนมานานมากแล้วจำหน้าได้นะสังเกตรหรือเปล่าว่าใจเราสบายขึ้นดวบกไหม ใจมันโปร่งใจมันเบาขึ้นนะเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ไปดัดแปลงใจให้สงบให้เรียบร้อยใจสงบรู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจเรียบร้อยใจไม่เรียบร้อยรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จิตก็มีกําลังมากขึ้นแล้วละ่ะจิตมีแรงมากขึ้นรู้ตัวได้ดีขึ้นแยกขันได้เป็นธรรมชาติขึ้นดีนะแต่ว่า สมาธิมยังไม่พอไปนิดหนึ่งใจมันยังฟุ้งง่ายเพราะฉะนั้นเราหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆอยู่ได้ทั้งวันก็ดีถ้ามีเวลาก็อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจถ้าต้องทำงานที่ต้องคิดก็จดจ่อา ง, งานไปหมดเวลาทำงานแล้วมีเวลาว่างก็มาพุโทโธมาหายใจแล้วก็รู้ทันใจรู้ทันใจของตัวเองไปปฏิบัติได้ดีแล้วละ่ะแต่ขาดกาลังหน่อยนึงนะ จะถามอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆน่าจะตอบให้หมดแล้วน่ะคือเขาเขาอยากถามว่าปันทีใจจะสามารถเป็นกลางเองแค่รู้สึกไม่มีภาระเออขขขเขาถูกแล้วล่ะก็ใจเขาถูกล่ะใจเราสบายโปร่งโล่งเบาขึ้นมาก็รู้ ใจมีภาระขึ้นมาก็รู้มันเป็นคราวๆมันไม่โปร่งตลอดหรอกนะเพราะยังไม่ใช่เวลาที่จะปลดโปร่งตลอดไม่ใช่พระอรหันนะทาถูกแล้ ว, ลวไปดูต่อจะเห็นว่าใจนี่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ดีตลอดไม่เร็วตลอด อ, อย่าบังคับใจให้ทื่อๆนะเริ่มบังคับใจให้แข็งทื่อแล้วนะไม่ทำ คนต่อไปเขาพาวนาดีขึ้นเยอะนะคนนี้คนนี้มาเขาคอสขั้นที่สามขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขาสามารถเดินปัญญาได้แล้วตอนนี้เขารู้ว่าตอนนี้เขาอยู่เขาควรภาวนยังไงครับภพวนานต่อไปทำต่อไปอีกทำไปเรื่อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจิตเราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆรู้ไหมว่าจิตพัฒนาขึ้น ความรู้สึกตัวอะไรนี่ก็ชัดเจนใจก็ปลอดโปร่งเป็นธรรมชาติก็เรียนรู้ไปอย่างเมื่อกี้นี้ใจก็วิ่งไปฟังเราก็แค่รู้ว่าใจวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาที่หลวงพ่อบ้างวิ่งไปฟังบ้างเนี่ยใจเราวิ่งไปวิ่งมารู้ไปเรื่อยเรื่อยรู้สบายๆคนนี้เขาภาวนารู้สบายๆได้แล้วดูต่อไป รอบนี้ไม่ไม่น่าไหน่อยมาก่ะดีๆเยอะเลยอาจารย์เก่ง<า>หัวล้อเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสังเกตไหมเสียงหัวล้อแปลกไป <c oughs> <c oughs> ทีแรกหัวล้อแบบร่าเริงนะแต่หลังๆนี่หัวลาอแบบคลุมคล่มๆนะ ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะตอบงไงดีไม่ให้อาจารย์เสียใจเห็นไหมเป็นธรรมชาติกว่ากันเห็นไหมอ้าวตอบไปคนไหนเวลาภาวนาเขารู้สึกว่า ร่างกายจะอตัตโนมัติทำท่าทางที่ทำท่าทางเองจะให้คนอื่นจะมองแปลกพยายามมีสติเพิ่มขึ้นนะอย่าปล่อยให้สมาธิล้ำหน้าไปเวลาใจมันมีสมาธิล้ำหน้านะจิตใต้สำนึกมันจะทำงานพยายามมีสติร่างกายจะขยับอะไรนะี่รู้สึกหรือไม่ก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเลยพุโทโธเร็วๆไปเลยนะให้ใจมันเข้มแข็งขึ้น ถ้าใจมันไม่เข้มแข็งแล้วจะเคลิมเคลิมลงไปนิดหนึ่งแล้วถูกอารมณ์ครอบงำืาอทีลุกขึ้นลำไทยเก๊กเลยพนะยายามเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นอาคนต่อไปเขาเรียนกับหลวงพ่อประมาณสี่ปีแล้วครับคราวนี้มาเข้าคอร์อสขั้นที่สอมอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเขาก็ภาวนาดีขึ้นแล้วละ่ะ คอยรู้ทันใจของเราเองรู้ทันกิเลส ท, ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจนะสังเกตไปเรื่อยๆวันวันหนึ่งนะเดี๋ยวกิเลสตัวนั้นมาเดี๋ยวกิเลสตัวนี้นมาเราไม่ห้ามมันนะแต่เราคอยรู้เท่าทันมันนะแต่ว่าทุกวันต้องไหว้พระสวมดมนต์นะจิตจะได้มีพลังได้สมาธิคนต่อไปเขารู้สึว่า ภาวนาสองปีแล้วรู้สึกว่าจิตใจเปลี่ยนเป็นเยอะอสามารถเห็นเร็วขึ้นโลกกับโกรธยินดีกับยิงร้ยอยขอคำแนะนำจากหลวงพ่อทำถูกแล้วก็ทำอีกทำไปเรื่อย ๆ, ออยๆสังเกตไหยเรายิ่งปฏิบัติ<ม> เ, รเราค่อยๆใจเราห่างโลกออกไปเรื่อยๆใจเราเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมีความทุกข์น้อยลงโลกข้างนอก นำความทุกข์มาให้เราได้น้อยลงน้อยลงเ น, นี่ยค่อยๆฝึกไปคนต่อไปเขาจะใช้ดูลมหายใจเป็นวิหารธรรมเขาใช้วิธีรู้ทานที่จิตหนีจากลมหายใจถูกแต่เขารู้สึกว่าเวลาฟันธรรมมาจะไม่ต่อเนื่งองครับถูกแล้วล่ะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้อย่างเดียว ครั้งละอย่างเดียวนะงั้นในขณะที่ฟังธรรมะฟังเรื่องราวต่างๆไม่เฉพาะฟังธรรมะหรอกไม่ว่าฟังใครก็ตามะมันจะมาดูจิตตัวเองไม่ได้ในเวลาที่เราดูใจของเราดูจิตใจของเราอยู่เราก็ไม่ได้ดูเราก็ไม่ได้ฟังมันจะรู้ความรู้สึกข้างในอยู่จิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเองไม่รู้สองอย่างเพราะงั้นที่ข้อภาวนานี้ถูกต้องแล้ว ที่นั่งข้างหลังพาวนาดีขึ้นเยอะเลยจิตเปลี่ยนไปมากเลยจนหลวงพ่อจหน้าไม่ได้เพราะคนนะ้นพอจิตเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนบางคนใจร้ายนะหน้ามืดมืดดำดำแล้วพอภาวนาใจดีขึ้นหน้าก็ผ่องใสหน้าตาเปลี่ยนไปเลยเอาคนต่อไป เขาดูตัวจิตเป็นหนักสติก็บ่อยแต่เวลาฝึกสมาธจะใช้ดูลมหายใจเป็นหนักแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเหมันไม่ดียังไงอ่ะมันไม่ถูกใจ <c oughs> เวลาหายใจแล้วมีกิเลสเกิดแล้ว เ, เห็นไหม เวลาหายใจแล้วเกิดความสุขความทุกข์เห็นไหมถ้าเห็นได้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีส่วนหายใจแล้วจะสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญหรอกหายใจแล้วรู้ทันจิตใจตัวเองได้อ น, นั้นแหละดีที่สุดหายใจให้เกิดความสงบนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกถ้าหายใจแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้ก็ดีแล้วนะ เวลาทำกรรมฐานนะให้ใจมันเด็ดเดี่ยวลงไปอย่าเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆถ้าเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยๆจะไม่ดีนะใจจะฟุ้งซ่านง่ายที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะจิตใจก็พัฒนาขึ้นมามากแล้วคอยรู้ทันจิตฟุ้งซ่านคือจิตที่ไหลไปไหลมาคอยรู้ทันไ้เรื่อยๆมันชอบไหล ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไม่ห้ามนะถ้าห้ามไม่ให้ไหลใจจะแน่นแน่นอึดอัดไม่ดนะีเอาแค่ว่าใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้หายใจไปก็ได้หายใจไปนะถ้าใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้แค่นี้ก็พอละเอาคนต่อไปเขารู้เสวะว่าจั ก, กรวาลเติมไปด้วยพุทธถูก แล้วไงอ่ะไม่เห็นแปลกเลย <c oughs> แต่เขารู้ซะว่าอันนี้หมายความว่าแค่มีสติสรุป ก, กับสรุป ก, กับชีวิตอันนี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับที่เห็นพุทธานั้นเี่ยไม่ใช่พุทธาของแท้หรอกเราต้องฝึกอีกมีสติมากๆฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วใจเราละเอียดใจเราประณีตขึ้นไป วันใดที่ใจเราเป็นพุทธะเองเราก็จะรู้ว่าพุทธะเป็นยังไงเราต้องฝึกจนใจเราเป็นพุทธะนะส่วนการที่เราสภาวะเราเป็นขนาดเนี้ยจิตใจเราได้ระดับเนี้ยเราเห็นมีพุทธะเต็มโลกเต็มจักรวาลเนี่ยอันนี้เราส่งจิตไปข้างนอกจิตมันสร้างพุทธะปลอมๆนี้ขึ้นมา เราจะเจอพุทธะได้ต่อเมื่อใจเราเป็นพุทธะแล้วใจเราจะเป็นพุทธะได้ใจต้องทำลายเอาวิชาได้ความไม่รู้อนิอยสัตต์ความไม่รู้ว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์เรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจตัวเองตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไปบังคับใจให้ทือๆใช้ใจอย่างธรรมดาตอนแรกๆที่คุยกับหลวงพ่อใจเป็นธรรมชาติธรรมดา ใจที่โปร่งโล่งเบาเคลื่อนไหวได้สะดวกนะใจที่เคลื่อนไหวได้ถึงจะดีนะใจอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าใจแข็งทื่อเราก็มีใจอย่างนี้แหละเราก็เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงเรียนรู้การทำงานของจิตใจไปเรื่อยๆแล้วร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นเองแหละคนนี้เห็นทั้งกายทั้งใจแล้วนะภาวนาดีอยู่ใชได้แต่อย่าไปคิดเรื่องพุทธะพุทธะคิดเอาไม่เห็น ต้องภาวนาให้ใจเป็นพุทธะถึงจะเห็นพุทธะก็มีแต่พุทธะเท่านั้นแหละที่จะรู้จักพุทธะต่อไปเขาภาวนาที่หลายปีที่พ่านมาเพ่งอาการเพ่งหลักมากเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้นนเขาเลื่อนลงแล้วเพ่งน้อยลงแล้ว เพ่งไม่มีประโยชน์เพ่งทําให้มีความทุกข์อย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์อะไรเล ย, เ ก, ยการเพ่งเนี่ยเกิดจากความโลภอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยจะเกิดการเพ่งถ้าใจเราไม่มีความอยากเกิดขึ้นใจจะไม่เพ่งจะเป็นใจที่ธรรมดาอย่างเนี้เราก็สังเกตใจไปใจนี้เดี๋ยวก็สุขใจนี้เดี๋ยวก็ทุกข์ใจนี้เดี๋ยวก็ดีใจนี้เดียดเด๋ยวก็ไม่ดี เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะเนี่ยหลวงพ่อรู้แล้วทําไมคนจีนเรียนธรรมะของหลวงปู่ดุลได้เยอะนะเพราะมันเหมาะเหมาะจริงๆท่าตเติมของเขาเนะี่ยหลวงปู่เองท่านก็เป็นพระจีนมาเก่าท่านก็สอนเหมือนเซนเลยสอนเข้ามาที่จิตเลยเงินธรรมะที่เข้ามาที่จิตเนะี่ยมันตรงไปตรงมานะมันเหมาะกับ คนจีนมากๆเลย้พยายามสังเกต จ, จิตตัวเองไปเรื่อยๆนะทุกคนแหละแล้ววันหนึ่งเราจะเจอพุทธะสิ่งที่ปิดกั้นเราไว้จากพุทธะก็คือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งราคเงาของมันเกิดจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจงั่นจะเกิดความปรุงแต่งปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงความว่างๆบ้าง มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ปิดบังเรามองพุทธะตัวจริงไม่เห็นวันใดที่ใจหมดความปรุงแต่งหมดตัณหาหมดความอยากหมดความโง่ไม่มีอวิชชาเราจะเห็นพุทธะแล้วเราจะรู้เลยจิตกับพุทธะเปน็นอันเดียวกันหมดได้ยังมีอีกสี่คนครับ อา้าวสี่ก็สี่ส่วนพระนั้นแล้วแต่เวณแต่กรรมครับเหล่านี้ท่านมาบ่อยไม่เป็นไรคนจีนนานๆม า, นนานทีคนนี้ภาวนาก็ใช้ได้นะว่ามาเขารู้สึกว่าคือเขารู้สึกว่ามรรคผลนิพพานห่าง สำหรับเขาห่ามไปเขามไม่ไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีสอนใจแต่เขาแค่อย่าให้ปัจจุบันมีความสุขกพ อ, อแต่บัญทีก็จะปล่อยตัวเองหลงไปดูทีวี อ, อยากจะรู้ว่าอันนี้จะเป็นอุปสรรคต่อกำรภราวนาไหมครับไม่เป็นหรอกถ้าเราไม่ได้หวังว่าจะเอามรดกนิพพานนะหวังแค่มีความสุขไ ป, ไปดูทีวีก็ไม่เป็นไรหรอก ก็เราจะเอาความสุขไงเนาะแต่ถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราเคยรู้จักเราก็เข้มแข็งหน่อยดูทีวีก็ได้แต่จํากัดเวลาดูดูไอ้ของที่สนใจจริงๆจําเป็นจะต้องดูจริงๆค่อยดูถ้านั่งดูทั้งวันใจจะฟุ้งซ่านไม่เฉพาะทีวีหรอกที่ร้ายกว่าทีวีนะคืออินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเนี่ยร้ายมากเลยตัวกอบควนเลยบางคนมันมีเสียงด้วยใช่ไหมที่เครื่องอะ่ะเดี๋ยวก็มีเสียงติ้งติงไม่ต้องภาวนาหรอกเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดูทั้งวันแล้วพอมันไม่ร้องนานๆนนก็สงสัยหยิบขึ้นมาดูถานหมดดรวยเปล่าเลยไม่ร้องนะอย่างนั้นไม่ดีเลยนะอย่าไปเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะนักเล่นเท่าที่จาเป็นถ้าเอาไว้ทามาหากินได้ก็ดี เอาไว้เล่นทำลายสติเรานี่ไม่ดีเลยให้เขาดูทีวีได้นะแต่อย่าดูทั้งวันดูเป็นครั้งคราวดูพอผ่อนคลายมีความสุขเวลาที่เหลือให้มาดูจิตใจตัวเองในใจของเราก็มีละครให้ดูนะ <S <S เดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่าน จิตของเรานี่แหละแสดงละครให้เราดูทั้งวันนะเรียนรู้มันไปดูมันไปอย่างมีความสุขนะเรียนรู้จิตตัวเองเหมือนดูละครคนต่อไปคือมีคนบอกว่าเขามีชีวิตต่อแค่สองปีเขากลัวว่าก่อนตายยังไม่ได้ธรรมะเหรอเอาเวลาที่กลัวมารู้ว่ากําลังกลัวอยู่ โอกาสที่จะได้ธรรมะมันก็มากขึ้นถ้าเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆเราก็เข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นเรื่อยๆมีเวลาสองปีเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะหลวงพ่อใช้เวลาสองปีนะี่ภาวนาไปได้ตั้งเยอะแนละ้วแล้วทําไมเชื่อเขาล่ะว่าจะอยู่สองปีหมอบอกหรือหรือหมอดู มีนัคนไทยเนี่ยเป็นมะเร็งนะแล้วก็มาหาหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ทำกรรมฐานอะไรไม่ได้เลยมันเจ็บมากแล้วหมอก็ไม่รักษาแล้วหมอบอกจะตายแล้วอีกไม่กี่วันก็จะตายแล้วหลวงพ่อก็สอนบอกว่าอย่าไปกังวลใจให้ยอมตายเลย ให้ตั้งใจว่าร่างกายเราเหมือนดอกไม้เราขอถวายร่างกายนี้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าเหมือนเอาดอกไม้ไปใส่แจกันตั้งหน้าพระพุทธรูปเมื่อเราเอาดอกไม้ไปไหว้พระแล้วดอกไม้มันจะเหี่ยวจะเฉาจะร่วงโรยยังไงเป็นเรื่องของดอกไม้แต่บุญของเราได้เกิดขึ้นแล้วให้เขาคิดเลยว่าร่างกายเหมือนดอกไม้ที่ใช้บูชาพระเราขอถวายร่างกายนี้เป็นเครื่องบูชาพระ แล้วก็รักษาใจของเราไปคนนี้นะอยู่มาจนป่านนี้นะเป็นสิบปีแล้วนะยังไม่มีแววว่าจะตายเลยสงสัยว่าหมอที่บอกว่าเขาจะตายนะหมออาจจะตายแล้วก็ได้ไม่แน่เลยนะมีหลายคนนะวันนี้มาไหม่หมอหมออยู่ไหมวันนี้ หมอเนี่ยเป็นมะเร็งนะตอนนั้นเป็นแบบรอแร่รอแร่เลยแต่หมอจิตใจเข้มแข็งนะพยายามภาวนาตลอดเวลามาอยู่ที่วัดอยู่กุฏิที่วัดใครเคยอยู่จะรู้มันต้องขึ้นบันไดมีบันไดสี่ห้าขั้นต้องขึ้นบันไดแค่ขึ้นบันไดไม่ไหวก็ต้องคลานเลยนะแถึงขนาดต้องคลานจงกลุ่มหรือวก็ทำสู้นะ ก็อยู่มาจนป่านนี้นะยังไม่เห็นมีวิแววว่าจะตายเลยนะถ้าทางหลอกว่าเก่าอีกนะเพราะนใจอย่าท้อนะถ้าใจท้อแท้เนะี่ยตายเร็วเลยถ้าใจเข้มแข็ง <c oughs> ก็อยู่ได้นานหน่อยสองปีไม่ใช่เวลาน้อยๆขอให้เรามีสติไปเรื่อยๆรู้เท่าทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้าบอกว่าคนซึ่งมีสติอยู่หนึ่งวันมีคุณค่ามากกว่าคนที่มีอายุตั้งร้อยปีโดยไม่เคยมีสติเราะนสองปีเนี่ยเยอะกว่าหนึ่งวันตั้งเยอะหนะมีชีวิตวันเดียวแต่มีสตนะินี่มีคุณค่าสูงกว่าคนอายุร้อยปีนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะฉั้นมีชีวิตสองปีอย่าไปกงังวลใช้สองปีนี้ให้คุ้มด้วยการเจริญสติให้มาก เ้าคนต่อไปเขามาเขาขอสนายคันอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเ ข, เขาดีขึ้นนะรู้ตัวไปสบายๆยอย่าบังคับใจให้นิ่งยังเคยชินที่จะบังคับใจให้นิ่งอยู่หน่อยหนึ่งปล่อยให้มันทำงานเป็นธรรมชาติอิสระให้ใจทำงานในอิสระเราต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัตินิดเดียว ระหว่างนักปฏิบัติกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะสิ่งที่เหมือนกันก็คือปล่อยให้ใจทํางานตามธรรมชาติคนที่ไม่เคยปฏิบัติยังไม่ได้บังคับใจตัวเองใจเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็ปล่อยให้ใจทํางานเหมือนคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะแต่เราต่างจากคนที่ไม่ปฏิบัติอย่างเดียวท่านะคือเรามีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองไปนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือคอยรู้ทันใจตัวเองแค่ น, นี้พอละอย่าบังคับใจตัวเอง ถ้าบังคับใจตัวเองเนี่ยมันผิดธรรมชาติใจมันจะแข็งทื่อๆนะไม่ดีหมดแล้วหรือคุณสุดท้ายครับหถามว่าสุดท้ายไปแล้วไหนคนไหนข้อแรกท่านถามว่านั้นจะดูอนนาตาของไกากับจิต ข้างควรดูยังไงสามารถให้กิเลสลดลงสุดท้ายกิเลสดับสนิทเราไม่มีหน้าที่ล้างกิเลสนะเราไม่สามารถสั่งกิเลสให้ดับสนิทได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่จิตที่เราอบรมไว้ดีแล้วมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วมันล้างกิเลสเอง เราไม่ได้มีหน้าที่ล้างกิเลสเรามีหน้าที่มีสติรู้เท่าทันกิเลสทุกอย่างที่เกิดขึ้นกิเลสอะไรเกิดขึ้นกับใจให้รู้เฉยๆอย่าไปเกลียดมันกิเลสก็จะเกิดแล้วก็ดับให้ดูทุกครั้งที่มีสติจะไม่มีกิเลสนะเวลาขาดสตินะกิเลสถึงจะมาได้เราั้นไม่ต้องพยายามที่จะล้างกิเลสแต่พยายามมีสติบ่อยๆมีสติเรื่อยๆไป จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะจะอาบน้ําจะกินข้าวจะนั่งขับถ่ายอะไรเงี้ยมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆอันนั้นนะกิเลสก็จะหมดแรงไปเรื่อยๆกิเลสเหมือนต้นญ้ามันมีรากอยู่ในดินเนี่ยถ้าเราไปตัดต้นญ้านะเดี๋ยวเดียวมันก็งอกใหม่กิเลสก็เหมือนกันถ้าเราไปพยายามไล่ตัดมันนะเดี๋ยวมันก็งอกใหม่แต่ว่าให้เรามีสติไว พอมันมันขึ้นมาเรามีสติรู้นะมันจะตายไปมันมันถูกยาฆ่ายามันค่อยค่อยตายไปฟอไปเรื่อยๆนะสุดท้ายรากของมันก็ตายนะเราไม่ต้องพยายามไปหาทางฆ่ามันหรอกนะให้มีสติรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วจิเลสตายเองมีอีกอย่างหนึ่งข้อหนึ่งเขาอยากจะ ขอหลวงพ่อช่วยออสอนช่วยอธิบายอย่างสิบหกขั้นครับเอาสิบหกเลยเหรอขั้นที่หนึ่งแยกรูปนามออกให้ได้อย่างตอนนี้ร่างกายยิ้มใจเป็นคนดนะูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเนะนี่ยค่อยๆหัดแยกไป แล้วต่อไปเราก็จะสังเกตเนะี่ยทำไมร่างกายยิ้มร่างกายยิ้มได้ร่างกายเดินได้ร่างกายทำงานได้เพราะจิตมันสั่งทุกอย่างไม่ได้เกิดลอยๆทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้นเลยถ้าจากนั้นเราก็ดูต่อไปอีกร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เนี่ยเดินปัญญาไปได้เสร็จแล้วใจมันจะเริ่มเบื่อหน่ายนะ แล้วก็ต่อไปมันจะใค่เข้าไปสูส่ความเป็นกลางใจมจะเป็นกลางจะเป็นกลางต่อร่างกายเป็นกลางต่อจิตใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเมื่อเรามีอยู่สองอย่างมีกายกับใจเราก็เริ่มเห็นความจริงนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็บังคับมันไม่ได้พอเห็นมากเข้ามากเข้านะมันจะเห็นร่างกายเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับ ร่างกายเป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราจะเห็นไตรลักษณ์พอเห็นมากเข้ามากเข้าจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางของมันเองมันจะรู้ว่าสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันหมดความสุขกับความทุกข์ก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ความดีและความชั่วก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์อันนี้ไม่ใช่การคิดเอาแต่จะต้องเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะจนกทั่งจิตมันรู้ความจริงว่าสุขและทุก เกิดมาแล้วก็ดับเหมือนกันดีและชั่วเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันพอจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วจิตจะหมดการดิ้นรนะจะไม่ดิ้นแล้วสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีทุกเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินร้ายเมื่อไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็ไม่มีการดิ้นรนแสวงหาอะไรอีกต่อไปจิตที่แล้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาอันนี้สิบหขั้นมันจะอยู่ในนี้ทั้งนั้นแหละเราเรียนสิบหกขั้นมันยาวไปเรีน มีสติหรือไม่มีสติทีแรกแยากกายแยากใจให้ออกก่อนแยกรูปนามให้ได้ก่อนแล้วก็มีสติเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราไปได้่ยนะมันจะมีสิบหกขั้นหรือมันมีเจ็ดสิบสองขั้นมันก็ผ่านทั้งหมดแหลนะที่จริงาญาณไม่ได้มีแค่สิบหหรอกาญาณมีเยอะกว่านั้นสิบหกนะี้ย่อๆมาหมดแล้วเนาะเชิญกลับบ้านคนจีนนย่เพิ่งกลับบ้านนะครับ ไปรรคามสตร์ก่อนคนไทยกลับบ้านไป <laughs> อย่าไปเที่ยว